ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทำบุญแข่งกันอนณาพวกเขา้าได้ยินเสียงยงังเนี่ยวปะในแต่เอิญก็เอิญ น, นกฮูก นกเข่ามันห่องแย่หมูเว้นเห็นมันไะงเอพี่ดหองลูกหลานคือยังมาหลายแทบเหมือนนี่มันวะแสดงความยินดีด้วยเป็นวะจะเนีเน่นกฮูกนกหงส์ก็เอิอนกเข่านกเข่าตัวเล็กๆทอกคำปันอะไรแนาะแต่เสียงมันดังจริงเวลากลางคืนเงียบสงบแล้วมันร้องโอโ้เหมือนกับกล้องป่าเลยนกฮูกแต่ว่ามันเป็นอันตรายกับพวกนกนะ พวกนกเล็กนกน้อยทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นอันตรายมันมันพอจะจับได้มันก็จับไปกินเลกลางคืนพกนีก็นอนหลับใช่ไหมละ่ะนกเล็กนกน้อยตอนหลับถ้านกฮูกไปเห็นเนี่ยนกฮูกมันตาสว่างกลางคืนเนยกลางคืนตามันสว่างมันไปเห็น น, นกน้อยนอนอ ย, ยู่เนะยขยุ่มเลยละ่ะขนแต่กระจุยกระจายเป็นพิษเป็นภัยกับนก ถ้านกน้อยได้ยินเสียงมันร้องอ น, นี่กเหมือนเราได้ยินเสียงเสืออย่างนั้นแหละฮะพวกเราได้ยินเสียงเสือร้องในป่ามาอหอมเราจะสถสถานเหลนั้นถ้านกเล็กนกน้อยมันร้องได้ยินเสียงนกฮูกร้องอนนย่อ mean, างนมันกันเหนามอนกันรานะไป се, มันร้องแถวไหนว่าเราจะมาใกล้แถวนี้นะเสือมาแถวนี้ละนะหนอยอย่างนั้นแหละ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 หัวซนเขาในปีกนะอืมถ้ามันนอนถ้าเป็นคู่กันนลยเออมันนอนติดกันแล้วเอกหัวควยเอาหัวผ่าตัดกันให้มันนอนงอย่างมันขึ้นมันอไปนกน้อยเห็นแล้วนาสงสารมันขึ้นกันนะแต่นกเข้าไปเห็นเนยจึงโมวาแล้วโดดขยุ่มเลยมันองไปเอาทั้งสองตัวพ้อมกันโดดมันไป <laughs> นี่แหละนกน้อยมันกลัว รวนกฮูกกลางคืนนะวันนี้เป็นวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4แปลว่าเดือน4เดือน4เพละวันนี้นะวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระผมให้ขอให้คณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนให้สํำนึก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 เราต้องแ ส, สวงหาปัจจัยสี่แต่พร้อมกันเราอย่าลืมแสวงหาอาหารเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยใจคือนามธรรมมันต้องแ ส, สวงอย่างนี้แหละเข้ามาบำเพ็ญบุญกุศลสู่จิตใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราพูดไปเหมือนกับหลวงพ่อเองเออหรือว่าพระเองซักนําให้พวกเรา เข้ามาสู่วัดเข้ามาหาตัวเองแต่ไม่ใช่นะถ้าเราคิดได้เพียงแค่นั้นมันก็ได้เพียงแค่นั้นแต่หลวงพ่อหล่ะเนี่ยอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่อย่างนี้น่ฉันอาหารมื้อเดียวอีกต่างหากนอนองค์เดียวอีกต่างหากอยู่ในป่าดงพงไพ่หาความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ได้แต่หลวงพ่ออยู่ดูทำไมเนี่ยอันนี้ก็คือความสมัครใจและความเชื่อ ในแต่ละพวกเราอย่พุทธบริษัทหลวงพ่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อได้เสียสละแปลว่าพวกหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาสวนลึกกว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายยังมาแต่วันวันพระแปดค่ําสิบห้าค่ำเข้ามาสู่วัดวาศาสนา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 แล้วจะมีทางออกอย่างไรล่ะหลวงพ่อเนี่ยแหละเราต้องศึกษาศึกษาในธรรมหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านว่าร่างกายนึกถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันมีจุดจบอย่างนั้นแต่นามธรรมคือจิตใจน่ยคือตัว ม, มัดตัวนามธรรมกับตัวโพโรโรอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะตัวนี้ตายไม่เป็นนะออกจากร่างนี่แล้วจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่น เพราะนั้นควรจะเอาคุณงามความดีควรจะเอาบุญกุศล เ, เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจดวงนั้นด้วย อ, อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนศึกษาเลยทีนี้กว้างขวางเลยทนี้เราจะสร้างยังไงสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไร เ, เพราะว่าโลกนี่ตานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความเห็นคนหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกคนนะ เห็นผิดเลยเห็นถูกถ้าเห็นถูกก็ต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับแล้วก็เราก็คิดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นจะไปในทางสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าว่าพวกเราคิดขึ้นมาว่าตัวเองคิดถูกดันทุลางว่าคิดถูกเพอเผลออาจจะถูกใจตัวเองก็ได้แต่มันอาจจะไม่ถูกหลักธรรม คือธรรมะคําสั่งสอนพระธรรมคือความเป็นธรรมอาจจะไม่ถูกจุดนั่นก็ได้อาจจะเป็นอธรรมก็ได้เพราะเอากิเลส ต, ตัวเองเข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบโถกแล้แต่อาจจะผิดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องศึกษาศึกษาให้กว้างขวางอย่างที่หลวงพ่อได้ ไปจัดงานหลวงปู่จามเนี่ยก็อดคิดไม่ได้นะกณะท่นานศรัทธาญาติโยมโลูกหลานเพราะว่าพวกเราเห็นวิดีโอหรือว่ารูปภาพถ่ายหรือว่าเขาถ่ายในวิดีโ อ, อถ่ายทอดสดถ่ายทอดอัดวิดีโอเอาไว้ในงานหลวงปู่จามมหาปุญโญแต่หลวงพ่อเองในฐานะประธานในการจัดงาน หรือว่าเป็นหลานของท่านออหรือว่าเป็นต้นตระกูลออต้นตระกูลของหลวงปู่ยามที่ยังเตี๋ยวนี้คณะญาติาทั้งหลายก็หลวงพ่อเป็นใหญ่สุดในตระกูลหลวงพ่อประกาศในที่นั่นทําไม j ึงว่าเป็นใหญ่สุดเพราะว่าโยมพ่อของหลวงพ่อเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงปู่ยามหลวงปู่ยามเป็นคนที่สามเป็นน้องชายของหลวงพอ่อเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ย โยมพ่อของหลวงพ่อก็มีลูกหลายคนแต่เดีนี้พี่ชายของหลวงพ่อแล้วก็จากไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายชายนามสกุลของหลวงปู่จามเนี่ยแปลว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นใหญ่สุดในตระกูลเฮ้ยนอกนั้นก็เป็นลูกอาลูกน้าถ้าจะเรียกหลวงพี่เรียกหลวงพ่อเขาก็เรียกลูกหลวงหลวงหลวงปู่หลวงตาทั้งหมดเถ้าเป็นลูกอาเขาก็เรียกหลวงพี่ทั้งหมด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 โรงทานเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5, 600, ห้า0ร้อยผลที่สุดเก็1 0พันกว่าพ1 0หนึ่งรอกว่าโรงนะพระเนี่ยอย่างน้อยต้องส6ม0 0หพนะเป็นหมื่นนี่แหละอันนี้ก็คืองานของหลวงปู่ที่ท่านได้ผ่านไปแล้วแต่ถึงจะผ่านไปแล้วกวเนะ็เถอะนะพอเราดูดึกนึกดูย้อนหลังไปดูที่ผ่านมาเพราะงานของหลวงปู่จามนะันยิ่งใหญ่มาก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 เรื่องจัดเอาของอาหารโลงทงโลงท่านหลวงพ่อทุ่มลงไปท่านนับเป็นหัวคนเข้ามาแล้วหลวงพ่อนับดู ป, ประมาณ80ดสบะที่หลวงพ่อเอาไปในกลุ่มของหลวงพ่อที่อยู่ในคอนโทนของหลวงพ่อที่ไปทำงานไปช่วยงานโรงทานเข้าไปตั้งแต่วันที่สิบห้าสิี่สบห้าเลี้ยงคนจนถึงวันที่วันที่ห้าวันที่หกแล้วยังค่อยกลับมา ทังฝ่ายพระก็เหมือนกันยี่สิบกว่าทั้งฝ่ายงทานก็ยี่สิบกว่าแล้วก็คนเด็กหนุ่มที่เอาไปช่วยงานอีกรวมแล้วเท่านั้นประมาณแปดสิบหลวงพ่อได้ใช้เงินไหมได้ใช้ปัจจัยมันได้ใช้ได้ใช้ปัจจัยปัจจัยของวัดปัจจัยที่คณะทศธาญาติโยมถวายเพราะว่าเป็นโรงทานนยสรุปแล้วคือคือว่าเป็นการทําบุญของพวกเรา เป็นการเสียสละของพวกเราเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงปู่จามของพวกเราหลวงพ่อก็ทําความเข้าใจกับพระทุกองจัตไทยญาติโยมอย่างตอนนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเลยเราบูชาพระคุณหลวงปู่นะหลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อจะเทิกจ้องจะต้องเชิดชูบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วหลวงตามหาบัว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 นกขัจจดีลิงที่เผาทิ้งเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ฮคิดเป็นเงินออกมาแล้วนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจนักบัญชีทั้งหลายเขาก็คิดขึ้นมาแต่หลวงพ่อก็บอกว่านกขัจจดีลิงพร้อมกับสิ้งอลังการที่อยู่บนเมนประมาณ0กแสนดอกไม้ประดับอยู่ข้างๆเนี่ยตามต้นไม้ต่างๆเขาว่าเขางบประมาณ3าล้าน แล้วก็ทิ้งต่างๆเออทั้งน้ําด้วยทั้งไฟด้วยเออทั้งห้องน้ําด้วยเออทั้งเต้นด้วยทั้งค่าอาหารด้วยเป็นเงินเท่าไหร่อาหารทั้งพันโลงะเป็นเงินเท่าไหร่เฮ้ยถ้บอกพวกเศรษฐศาสตร์พวกคิดขึ้นมาเอาเอาเงินมาถลุงเล่นประเทศชาติบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้น่าจะเอาเงินเหล่านี้เพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศทําไมโง่นักเฮ้ คือคนบางคนจะต้องคิดอย่างนั้นแต่บางคนไม่ได้ว่าอย่างนั้นเราอืหลวงปู่จามมหาปุ่นโยเนี่ยท่านมีอายุถึงขนาดนั้นท่านบรรณะเพียงเพียงครั้งเดียวแต่พวกเร า, เ า, ากา็มากราบมาไหว้ท่านมาแสดงความเคารพท่านท่านให้ธรรมะท่านให้ศีลธรรมท่านเรามีพลังมีกําลังใจเมื่อมากราบมาไหว้ท่านเมื่อท่านจากไปแล้ว เราไม่มีอะไรที่จะทดแทนบูชาพระคุณของท่านนี่แหละเราแสดงออกเราแสดงออกเมื่อเราตะกอนเราเกือบล่มจมจิบหายเพราะเราหมดกำลังใจแต่พอมาหาหลวงปู่หลวงปู่เอา้าสู้นะไปถอยทาไมเกิด เ, เกิดมาชีวิตต้องสู้เรากลับไปสู้คนนโอ้โหเราฟื้นตัวคืนมาเราเอามาพระบูชาพระคุณหลวงปู่จําเนี่เพียงเจ็บจ้อย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 แต่ของหลวงปู่ยามถ้าก็อีกแบบหนึ่งผิดไหมผิดหลักพระธรรมวิไไนัยไหมตรงไหนที่มันผิดเน่ยเราก็ทำไม่ผิดหรอกแต่มันอลังการมันไปทางโลกเกินไปโลกตรงไหนจุดพุใช่ไหมจุดพุชชยจุดพุเนี่ยก็มีเจ้าของสอ ง, สองเจ้าที่จุดพุกลางคืนนะทางเชียงใหม่เขาก็มาเห็นหลวงปู่งานทบุญสงพระธาตนะุเนย สงพธาตุท่านสงทุกปีเดือนพฤษภากับเดือนกุมภาพมาคากักรวิสาขาดหลวงปู่ท่านจะสงพระธาตุพอสงพธาตุเสร็จแล้วท่านก็โยมเขาก็พุมาจุดนะสามสี่ห้าหกดอกนะต่อมขึ้นไปก็เป็นดอกเป็นดวงใช่ไหมหลวงปู่ท่านก็เป็นคนโบราณใชมันอยู่ในท่านอยู่ในป่านียท่านก็เห็นโถทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้บ้างบางทีก็เป็นรูปช้างรูปสิงรูปดอกไม้อะไร แอบก็จุดใวยฟังหลงตาลวงปู่ท่านก็ชอบใช่ไหมแอบหลวงปู่ชอบอท่านชอบใจไว้มันเป็นดอกเป็นดวงฮะแอบแต่อ อ, อ, ออกเป็นองกลางกลางแจ้งในต่างหาดเขากขนเล็ดเข็นรถขึ้นไปตอนนี้พอ ง, งานจุดท้ายของท่านนะโอ้หลวงปู่ของเราเนี่ยจุดติเนรพาลไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วเนียอบพวกเราน่าจะบูชาพระคุณหลวงปู่นะเอ้าหลวงปู่ชอบไง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 ไปจูดทิ้งเปล่าๆเงินตั้งแสนเอาให้เป็นค่าเด็กนักเรียนก่อเรียนตั้งหลายคนทำไมโง่นัก <c oughs> ไอ้พวกที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายมีแต่บ่นให้คนอื่นโง่แต่ตัวเองไม่ไม่กล้าออกมาสแสดงอะไรนะ เ, เงิน5บาท10บาทนะเก็บไว้ให้ดีจนยางยางปีมันติดว่างั้นเถอนั่นแหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าเราต้องได้คิดหลายแง่หลายมุมเหมือนกัน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 พระพุทธเจ้าของเราจะเด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะพญาปัจเสณคือ ม, มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งอย่างพระเจ้ากุกุชันโธ โ, โกนะคามโนกจัจโโพโคตโมโคทโ ม, โ ค, โมคือพระโคตมะพระพุทธเจ้าของเราพระศรีอรยะเมตโยนะองค์หน้ากนะ็จะต้องมีครั้งหนึ่ง เ, เรียกว่าอาทิสถานอาทิสถาน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 อาทิตย์หน้านะผมจะทําทําให้ยิ่งใหญ่กว่าประชาชนประชาชนไปเห็นโหไปราชายิ่งใหญ่กว่าเราประชาชนอาทิตย์หน้านะผมจะทําให้ยิ่งใหญ่ทำให้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชานะแข่งกันไปแข่งกันมาเ อ, อหลายตลกใครไม่สู้ไม่มีใครแพ้ใครแต่ว่าพังสุดท้ายประชาชนก็เอาให้ครบทุกอย่างบ้านนี่ คำว่าไม่มีอย่าได้มีในงานทําบุญของพวกเราให้พร้อมทุกอย่างเอาให้เฟอร์เฟคเลิศเลอที่สดุดอประชาชนเขาก็ทําเลยทําพระเจ้าปเัเสณไปเห็นนลยตายเอามือกายหน้าผากอะไงยยอมแพ้แล้วยอมแพ้ประชาชนมันเขามันเอาจริงๆคราวเนี้ทางนางนาลิกาอัครมเหสีของพระเจ้าปเัเสณเป็นคนมีปัญญาเลย พระ อ, องค์คิดอะไรโอ้คงจะสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนเขาเอาเลือดล้ําเราเลือเกินนางเมริกาบอกว่าเอ้ยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเออเราจะไปแพ้ประชาชนได้ยังไงแน่ประชาชนเขาไม่มีช้างพวกเราเอาช้างออกมาดิเออเวลาแล้วก็ตั้งบันลังขึ้นมาในมรดกพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ห้าร้อยคือเลี้ยงพระทีละห้าร้อยห้าร้อยนะอืม ตั้งบัลังก์เป็นอาสนะ500จุด500ที่เรียงกันในสนามแบบสนามหลวงอย่างนั้นแหละนั่งเรียงกัน500จะได้กับช้างก็ถือสเวสเสวตค่อยๆถือร่มใหญ่ปะกทนใหญ่ถือร่มใหญ่อยู่ข้างหลังของพระแต่ละองค์นั่งจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ให้พรแล้วก็น่แหละฉันพัตหารใน ธรรมชาหรือว่าอาถนะของตนเองอก็ช้างก็เป็นผู้กั้นล่มให้ดูจะอลังการขนาดไหนไประชาชนเขาไม่ทําไม่ได้หรอกเขาไม่มีช้างพระราชาเออมีกำลังกำลังใจขึ้นมาเทีาไห่ก็เลยจัดยิ่งใหญ่ให้ครบหมดทุกอย่างอ ก, ก็มีช้างออกมาอีกเท่าไหร่ก็ถือเสเวตฉัดแต่ช้างในเมืองเขา น, นั่นได้ช้างอยู่ 499ตัวน่ยเออเชือกยังเหลืออยู่ยังขาดอยู่เชือกนึงแทเอ่อหาไม่ได้แต่ว่าองค์สุดท้ายก็คือพระองค์กุมาณโจรที่เป็นโจรฆ่าคนะนะท่านบวชได้สำเร็จเป็นพระหรหันนั่นแหละท่านนั่งองค์สุดท้ายนี่เอ่างนั้นก็พระเจ้าปรดดินก็บอกว่าเอา้าไม่มีเหลอช้างตัวที่ห้าร้อมัดขาดไปนี่นะ มันขาดแต่มียูช้างตัวหนึ่งเอยแต่มันอยูเน่ยขังไว้ช้างตัวนี้ดุร้ายมากเหมือนเราจะปล่อยออกมามันก็เสี่ยงนะมันถ้าออกมาถ้ามันทํางานให้ดีก็ดีถ้าไม่ทํางานไม่ดีวงแตกแน่ๆเราไงช้างตัวนี้พอเป็นช้างสงครามเวลาเกิดสึกสงครามกูมาแล้วกันเนะ่ยปล่อยช้างตัวเกเรตัวนี้แหละเอาเล่าให้มันกินสักหน่อยถ้าเกิดเอาตะพธใส่มือให้มันเลยก็ ปล่อยเข้าไปในฝูงช้างฆ่าศึกเนี่ยมันตีตะพัดตะเพื่อเรากันเลยแปลว่าช้างเกเรแต่มันกําลังดีมันเก่งอีกตั้งหากแต่นี้เราจะเอามาใช้งานอย่างนี้มันคงไม่ได้บ้างหนอทั้ ง, ทงขุนพลทั้งหลายเอ้าเสียงมันอยู่ขาดอยู่องค์หนึ่งจะทํำยังไงเนี่ยเสียงอดังนั้นก็เลยไปเบิกช้างตอนนั้นออกมาช้างออกมาแล้วก็มาเดินดุมรุหมหูโอ้คนทั้งหลาย จับตามองช้างตัวนั้นอย่างไรพอมากโ็โหจับสเสวตชัดจับล่มสวยงามมากทีนี้ยิ่งยิ่งกว่าช้างตัวอื่นอีกไม่กระดุกกระดิกอีกต่างหากคนทั้งหลายก็มองโอ้โหช้างตัวนี้ทําไมทําได้สวยได้ดีมากนะกั้นร่มให้พระองค์คริมานนะจากนั้นก็เมื่อพระองค์ฉันเสร็จนะพอฉันเสร็จคนทั้งหลายก็มอง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 ประชาชนทั้งหลายก็แปลกใจแต่เมื่คิดไม่มีใครกล้าถามพระพุทธเจา้าเอาพระพุทธเจ้าลืมให้พรกับผมจะไหวเงินได้เหรอเนีเพราะพระพุทธเจ้าเป็นมหาจิติมหาปัญญาท่านไม่หลงไม่ลืมอยู่แล้วใช่ไหมเออท่านที่ท่านมาให้พรต้องมีเรื่องราวเนะี่ยถ้าพยาประเสียนก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะท่านเป็นเจา้าผุมเทยอย่างสุดๆแล้วนะแต่นี้ก็พอไปถึงวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระทั้งหลายที่เป็นผู้ตุชนอยู่ก็ยังมีได้ ท่านองคุริมาลท่านไม่กลัวเหรอเขาว่าช้างตัว น, นั้นดุมากนะเป็นช้างเกเรนะที่กั้นล้มให้ท่านพระองคุริมาลท่านบอกว่าในใจของผมเนี่ยกลัวก็ไม่มีกล้าก็ไม่มีผมหมดความกลัวละความกล้าแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าพูดอย่างนี้นกับท่านเป็นพระหรหันต์นี่วะถ้าไม่มีความกลัวความกล้าก็คือพระหรหันต์เท่านั้นนะไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยตอนนี้นกับพระกนเลยไ ป, ปฟ้องพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์บอกชายบุตรของเราเป็นพระอรหันต์แล้วองค์กุลิมานไม่มีความกลัวไม่มีความกล้าเพราะนั้นท่านจึงไม่สะทกสะท้านท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนะนั่นแหละจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายจึงรู้ว่าอืองค์กุลิมานเป็นพระอรหันต์พระเถระองค์หนึ่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่นี้พอตกตอนบ่ายพญาประเสียงก็น้อยใจทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พร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 พระพุทธเจ้าท่านนิ่งท่านว่ามีเหตุคือพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ, อ, อามาตย์ของมหา婆พิษน่ะอามาตย์ใหญ่ขุนพลใหญ่มีอยู่สองขุนพลใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นละขุนพลใหญ่ท่านหนึ่งน่ะในสองคนน่ะคนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งไม่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธานบอกว่าก็โห พระเจ้าปเสนทูโกสนเนี่นะทำเป็นที่ยอมรับในใจของเรามากแต่ถ้าหาว่าเป็นอย่างเราเนี่ยเราจะทําให้เหนือกว่าพระเจ้าปเสนเดียวนี้อีกเพราะว่าพร้อมหมดทุกอย่าง เ, เพราะว่ามีทรัพย์สมบัติทุกอย่างแล้วก็กที่ไหนได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็มีครั้งเดียวเท่านี้แนหะในชีวิต เกิดมากี่พบกี่ชาติจึงจะได้เจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกอแล้วก็เราก็ได้เป็นมีสมบัติอีกต่างหากถ้าเป็นอย่างเราเราจะต้องทําให้เหนือกว่านี้อีกเอ้เอามาดคนหนึ่งเขาอันนี้คือศรัทธาใช่ไหมละ่ะแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่มีศรัทธานี่โอ้โหทาไมพระยา้าประเซนจึงเอาเงินคงคัง ถึงจะไม่ใช่เงินหลวงก็เถอะจะไม่ใช่เงินคงค้ังก็เถอะเป็นเงินสวนพระองค์ก็เถอะสวนทรัพย์สินสวนพระมาหากษัตริย์ก็เถอะแต่เอามาถลุงเล่นอย่างนี้เอามาใช้จ่ายเลี้ยงสั ม, มณะหัวโล้นอนอยู่ในป่ามันได้เกิดประโยชน์อะไรโง่นักปัญญาประเสริญเนี่ยทั้งที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปเลี้ยงพี่น้องประชาชนไปเลี้ยงคนยากจนในประเทศจึงจะเกิดประโยชน์กว่าอันนี้เอามาถลุงเล่นเออเอามาจ่ายใช้จ่ายเล่นทําไมโง่นัก ปยาปเสนเนี่ย เ, เราเกิดมาทั้งทีไม่เคยเห็นคนโง่ถึงขนาดนี้คนที่มีศรัทธาต้องคิดอย่างนั้นแต่นี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านรู้ใครคิดนึกคิดเรื่องอะไรท่านเห็นว่าโอ้ท่านเราแสดงธรรมเออมหาบพิษพุทธบริษัททางหลายพวกท่านทางหลายได้ทำบุญ ในวันนี้เป็นอ น, นุสงส์ติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านเกิดพบไราชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากอ น, นิสง์การทำบุญทําทานนะถ้าพระพุทธองค์แสดงธรรมหรือเทศให้ฟังเลยอมมาศคนนั้นยิ่งคิดปาอมาศอย่างแรงอีกศีรษะของเขานะ่ะจะแตกเป็นเจ็ดภาคในต่อหน้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นความสงสารไม่เห็นความอินดูอมมาศคนนั้นเฮ่ออมมาศใหญ่คนนั้น่ะเราจึงไม่แสดงธรรม ในวันนี้เราได้ออกมาถ้าเราแสดงธรรมเขาประมาทยิ่งประมาทไอ้ตาตุ้งวันเนี่ก็คงจะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองพรมันโกรธไม่พอใจใช่ไหมละ่ะอันนี้ท่านสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเราศีรษะแตกเป็นเจ็ดภาคฮนะ mm hmm. พวกไม่แสดงธรรมผมจบแล้วก็ อ, อพยาปฏิเสธก็ไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะคิดอย่างนั้นมันเป็นสมบัติของเราเนี่นะ จากนั้นพระเจ้าประเสนกลับไปเวียงวางก็เรียกประชุมเจ้าขุนทั้งหลายขุนพลทั้งหลายก็มามัดหมดทุกคนเลยจ้ะเนี้มาเอาเ อ, อเนี่ยท่านคิดยังไงเนท่านคิดยังไงนี่ในเมื่อเราทําบุญในคราวนี้ครั้งนี้ใครคิดยังไงและก็ถามขุนพลที่มีศรัทธาขุนพลไม่มีศรัทธาแล้วก็บอกว่าท่านคิดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ผมคิดอย่างนี้นี่เออเอา แล้วก็ถามขุนพลที่นั่นพูดตามจริงนะอพูดตามจริงนะเอท่านไม่มีศรัทธาเห็นว่าการทากรนี้ไปว่าท่านไม่เห็นด้วยใช่ไหมขุนพลนล้ก็อธิบายให้ฟังเลยเอต่างความคิดเห็นของตนเองมันปิดไม่ได้พนะระเจ้าเป ร, เรียทรัพย์สมบัติมันไม่ใช่ของแก่นะเอเราก็เลี้ยงเงินเดือนเราก็ให้เอเราก็ให้เอรางวัล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 ข่าเขินอยู่ต่อไปก็คงจะเป็นอริัตรูในความคิดของเราก็เลยตั้งขุนพลที่มีศรัทธาขึ้นเป็นขุนพลใหญ่ดูแลกิจการดูแลประเทศชาติต่อไปนี่แหละในครั้งพุทธกาศมีไหมคนที่มีศรัทธาและคนไม่มีศรัทธาคนมีศรัทธาเขาคิดอย่างไรคนไม่มีศรัทธาเขาคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะลูกหลานทุกคนนะ ให้ใช้จติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบทุกอย่างโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละเราจะไปเชื่อยอย่างเดียวซื่อบื้อย่างเดียวกระโรดโดโลดเต้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องกรันกรองไตตรองเหตุและผลทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวของมันเสร็จนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะวันนี้ก็ได้พูดแนวความคิดมากหลากหลายให้พวกเราทูกหลานทั้งหลายได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษานะ วันนี้เป็นวันพระคืน15บ้าค่ำเดือนสี่เป็นวันพระใหญ่พทะหลวงพ่อได้กล่าวสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษานะเกรยพูดยาวไปสักหน่อยทำให้ครูบาทั้งหลายคงจะหิวอาหารพอสมควรอดเอาซะก่อ น, นะวันที่15บ้าคำเดือนสปี57มีวันเดียวตรงเนี้แหะ ต่อไปเขาคงจะเป็นปีห้าสิบแปดนะพระเด่นลูกหลานนะต่อไปรับพรได้เตือนอ น, น, นะอนุโมทนาให้พร